วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิสัทผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนเองด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีการดับทุกข์ของใจว่าจะต้องดับความทุกข์ของใจได้อย่างไรบ้างการที่เราจะดับความทุกข์ของใจได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนี้ก็มีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าพุทธทางธรรมังสังคังสารนังกฉามิมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจส่วนที่สอง ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของใจนี่คือส่วนประกอบของที่พึ่งของใจที่จำเป็นที่จะต้องมีสองส่วนนี้ถ้ามีส่วนเดียวที่พึ่งทางใจก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่สามารถที่จะ ไปดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจได้จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจแล้วก็ต้องมีตนเป็นที่พึ่งของตนคืออัตตาหิอัตโนนาโธ ท, ที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้มีหน้าที่ต่างกัน หน้าที่แรกคือที่พึ่งแรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่สั่งสอนบอกวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจของพวกเราให้หายไปได้ท่านไม่สามารถปฏิบัติ แทนเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองคือเราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้สอนผู้บอกเรา แต่เราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความทุกข์ทางใจก็จะไม่สามารถดับไปได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราพึ่งตนเองโดยไม่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราจะปฏิบัติเองศึกษาเองค้นคว้าหาวิธีดับความทุกข์เองเราก็จะไม่สามารถทำได้ พราะผู้ที่จะสามารถค้นพบวิธีดับความทุกข์ของตนเองได้นั้นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้า<ม>คือก็คือพระโพธิสัตว<ม>์ที่จะสามารถที่จะประพุติปฏิบัติธรรมจนตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เท่านั้นถึงจะสามารถดับความทุกข์ทางใจของตนเอง ได้หมดสิ้นไปถ้าไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วต่อให้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ตา ม, มก็จะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ดันั้นการที่จะมีที่พึ่งทางใจที่สามารถมาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากมีอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้บอกเราวิธีการของการดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไร<ม>ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เราก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของเราได้เลยเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์<ม>เช่นคนที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนานี่ เขาจะใช้วิธีอื่นในการดับความทุกข์ก็คือวิธีหาความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ทางใจกันแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ต่อให้เขามีเงินมีทองกองเท่าปุกขเขาก็ตามต่อให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรษ์ เป็นนายกพัฐมนตรีหรือเป็นอะไรต่างๆที่เขาเป็นกันในโลกนี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจของเขาได้เลยเพราะว่าความทุกข์ทางใจนี้ดับด้วยโลกธรรมไม่ได้ดับด้วยลาบไม่ได้ดับด้วยยศไม่ได้ดับด้วยการสรรเสริญไม่ได้ ดับด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะชนิดต่างๆไม่ได้สิ่งเหล่านี้อาจจะให้ความสุขแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวอาจจะทําให้ความทุกข์หายไปแต่จะทําให้ความทุกข์หายไปได้เพียงชั่วคราวเช่นเวลาเราไม่สบายใจบางทีเราก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่ม ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆความทุกข์ใจมันไม่สบายใจก็หายไปชัว่วคราวแต่พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่มันก็จะกลับคืนมาอีกเช่นความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายนี้ ทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าใช้โลกธรรมทั้งสี่เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์แต่ถ้าใช้ที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติกันอันนี้จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมี เพื่อดับความทุกข์ทางใจเพื่อใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ น, นกับตัวเรากับร่างกายของเราเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วมันจะไม่ทําให้ใจเราทุกข์เลย ใจเราจะรู้สึกอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือที่พึ่งทางใจถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปจากใจของเราเราต้องมีที่พึ่งทางใจทั้งสองส่วนนี้ส่วนแรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะเป็นผู้สอนผู้บอกเราวิธีของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรตอนนี้เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เหลืออยู่แต่พระธรรมกับพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้าก็เป็นแหล่งเป็นบุคคลที่เราต้องเข้าหาถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุบันทึกก็ทำคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวพระอนุตตสัมมาสามโพธิญาณแล้วหลังจากนั้นสองเดือนคือวันเพ็ญเดือนแป พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกครั้งแรกก็ทรงแสดงโปรดพระปัญจาวัคคีย์พระธรรมนี้ก็มีชื่อว่าธรรมจากกัปวัตตนสูตรทรงแสดงเหตุของความทุกข์และทรงแสดงเหตุของการดับทุกข์หลังจากที่ทรงแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจาวัคคีย์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ได้บรรลุถึงการดับทุกขั้นที่หนึ่งคือดับคุกดับทุกความทางร่างกายได้ไม่มีความทุกข์กับความแก่ความตายของร่างกายแล้วหลังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมโปรดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทรงแสดงก็จะมีการจดจำกันเอาไว้พระสงฆ์ที่มาบวชก็จะอาศัยการท่องการสวด พระธรรมคาสอนเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีพระมาบวชเยอะก็จะไม่สามารถที่จะสอนทุกคนได้อย่างอย่างกว้างขวางก็ต้องอาศัยการจดจําพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระที่มาบวช แล้วก็เรียนรู้กันไปปฏิบัติกันไปแล้วก็บรรลุธรรมกันไปพระพุทธเจ้ามีหน้าที่แสดงธรรมมาละสีรอบด้วยกัน<ม>พุทธกิจห้าคือกิจที่พระพเจ้าทรงมนเป็นอยู่ห้าข้อนี้สี่ข้อเกี่ยวกับการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธายาโสม ทาราวาทผู้คลองเมืองยามค่ําก็ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรสา ม, มเณรี<ม>แล้วยามดึกก็ทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดา<ม>ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินถบาดก็ทรงเร่งญาณดูว่าจะไปแสดงธรรมปวดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น อนนี้คือธรรมะที่พระเจ้าได้ส่งแสดงไว้ในแต่ละวันวันละสี่ครั้งด้วยกันแล้วก็มีพระที่ไปติดตามพระเจ้าไปฟังก็จะจดจํากันเอาไว้แล้วก็ตั้งเป็นชื่อเป็นพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจักรกับาวตนาสูตรมงคลนสูต ร, นน ส, ตรสติปัฏฐานสูตรอนัตนตลกนาสูตร ก็ชื่อของพระธรรมเทศนาของแต่ของลาของแต่ละกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็มีการศึกษาจากธรรมะเหล่านี้คําสอนเหล่านี้พระภิกษุที่ไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อาศัยพระธรรมที่มีพระภิกษุอื่นจดจํำมาไว้กุบาอาจารย์รูปอื่นจดจํำมาไว้เอามาเผยแผ่สั่งสอนกัน ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ถึงเป็นหมื่นใ น, ในพระธรรมในพระไตรปิฎกนี้มีแสดงมีว่ามีมีพระสูตรอยู่แปดหมื่นพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่คือแหล่งของการศึกษาธรรมะการถือพระธรรมเป็นที่พึ่ง ทางใจได้เพราะตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงสัดว่าพระธรรมที่ทรงสอนนี่แหละสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปถ้าเรามีพระพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกแล้วเราเข้าหาคําสอนเหล่านี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงอนนี้คือแหล่งแหล่งแรกที่เราสามารถเข้าหาเป็นที่พึ่งทางใจได้ก็คือเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกหรือจากหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้มีจานวนมาก ตู้หนึ่งเนี่ยมันจุอยู่ในตู้หนึ่งมีต้องสี่สิบเล่มด้วยกันเนาะก็จะมีพระสององค์เจ้าท่านจะไปจัดไปคัดเอาเอาพระธรรมคำสอนที่เป็นคำสอนหลักเอามาใส่เป็นการเทศเช่นธรรมจกักรบวัตนสูตรอนัตตลกนณสูตร อธิตายะปะลี ย, ยะสูตรอธิตตะปะลี ย, ยะสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรการละมสูตรนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถยึดเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้นะนอกจากพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกแล้วอีกแหล่งของของความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่เราสามารถเข้าศึกษาได้ก็คือจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกของ พ, อ พ, พอระ พ, พุทธเจ้าก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันมีพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระ อ, อรหันต์พระอริยสงสารกเหล่านี้ก็จะรู้วิธีการดับของความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรก็สามารถไปศึกษากับ พระอริยสงสาวโลกได้ก็คือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่เราเรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นสมัยนี้เราก็จะได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนเป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้ว เพราะว่ากระดูกของท่านนั้นได้กลายเป็นพระเทศพระธาตุไปบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดพระทานในร่างกายของท่านไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่ากระดูกทุกชิ้นทุกอันกลายเป็นพระธาตุไปหมดมีบางส่วนที่กลายเป็นพระธาตุไปควาว่าพระธาตุก็คือเป็นเหมือนกับเป็นอั ญ, ญมณีเป็นเหมือนกับเพชรพลอย ต่างจากกระดูกกระดูกนี้มันจะมีแต่ผุพังไปตามการตามเวลาแต่พระธาตุนี้จะไม่ผุพังไปตามการตามเวลาที่เราไปกราบกันเช่นพระธาตุที่มาแสดงไว้ที่สนามหลวงนี่ก็เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าการที่กระดูกของใครก็ตามที่กลายเป็นพระธาตุไปนี้เป็นการยืนยันว่า ใจของคนนั้นได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วได้ดับความทุกข์ทางใจได้หมดสิ้นไปแล้วจะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วตามธรรมเนียมก็มักจะสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุเหล่านี้ไว้สมัยก่อนนี้บุคคลที่เขาจะ อาวัติไปบรรจุในเจดีย์นี้มีอยู่สี่ด้วยกันมนคือหนึ่งพระอหรหันต์ตัส ม, มาสามพุทธเจ้าสองพระประเจกับพระพุทธเจ้าสามพระมหาจาักรพัฒน์และสี่พระพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลที่วิเศษบุคคลที่พึงที่จะน้อมน ำ, นำลึกถึง เป็นปูชนิยสถานให้อนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้เข้าเข้าศึกษาให้เข้าเรียนรู้ว่าบุคคลเหล่านี้เขาวิเศษอย่างไรเขาทำไมร่างกายกระดูกของเขาจึงได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเมื่อเราได้ไปกราบเราไม่ใช่ไปกราบเฉยๆไปกราบเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการสร้างเจดีย์นี้มาสร้างไว้ทำไม สร้างไว้เพื่อเก็บอนุรักษ์พระธาตุเพื่อจะได้เป็นคติสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าครั้งหนึ่งในโลกนี้มีคนมหัศจรรย์มีคนวิเศษได้มาเกิดในโลกนี้ได้มาตัดสุทน ร, รู้มันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมา ทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าใครได้ไปกราบไหว้ก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จะได้เรียนรู้ต่อไปว่าแล้ววิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องทำอย่างไรก็ต้องศึกษาคำสอนของบุคคลตั้งบุคคลเหล่านี้ศึกษาจา ก, จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอาหารหันตัสาะกก็ดี หรือจากพระ อ, อริยสง์สาวกทั้งหลายก็ดีอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนํามาไปใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้ น, นี่คือสิ่งแรกองค์ประกอบแรกของการมีชลานะที่พึ่งทางใจเราต้องมีความรู้ที่เราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคาสั่งคําสอนก็ดีหรือจากพระ อ, อริยสง์สาวกก็ดี ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและ จ, จะดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไร mm hmm. เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วรู้เหตุของความทุกข์แล้วและรู้เหตุของการจะดับความทุกข์แล้วว่าต้องทำอย่างไร mm hmm. เราก็นำเอาไปปฏิบัติ mm hmm. เอาไปกระทาต่อตอนปฏิบัตินี้ เราไม่สามารถพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติให้กับเราได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้มีหน้าที่สั่งสอนเรามีหน้าที่บอกเราให้รู้ว่าทุกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้จะดับความทุกของเรานี้ดับได้อย่างไรเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องดับด้วยวิธีนี้เราก็ต้องนำอาไปปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยตัวเรานี้แหละเรียกว่าอัตตะิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะรู้วิธีดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไรแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินำมาวิธีดับความทุกข์นี้มาปฏิบัติ ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็จะดับไม่ได้จะหายไปไม่ได้ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถต้องตนเป็นที่พึ่งของตนจะไปกราบไหว้พระธาตุกี่ล้านกี่แสนรอบแล้วขอให้หลุดพ้นขอให้ไปสู่พระนิพพานนี้ก็ไม่มีวันที่จะดับได้ไปประเทศอินเดียกี่รอบกี่ครั้งก็ตามแล้วก็ไปขอให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ให้ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุขอให้ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี้ไม่มีวันที่จะรู้ได้เห็นได้จะรู้ได้เห็นได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง <Okay. S 1> นี่คืออัตตาหิอัตโนนาโถเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของของที่พึ่งทางใจ สำคัญพอๆกับที่สำคัญพอๆกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วเราจะไม่รู้วิธีดับความทุกข์ได้ด้วยตัวเองเลยต่อให้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่มีวันดับความทุกข์ได้ยกเว้นว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ได้สะสมบารมีมาอย่างแก่ก็มาเกือบครบร้อยแล้วอย่างเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเห็นทุกในร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นการหลุดพ้นจากความทุกนี้ต้องหลุดพ้นด้วยการไปเป็นนักบวช เพราะถ้าเป็นคารวสผู้ครองเรือนี้จะไม่มีเวลาพอที่จะปฏิบัติได้ไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาที่จะค้นควา้าวิธีของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรเพราะเป็นงานที่ต้องทาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น mm hmm. ถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้สาเร็จ mm hmm. พอหลังจากเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ว เห like, ็นนักบวชแล้วเขาเรียกว่าเห็นเทวทูตสี่ผู้ใดเห็นเทวทูตสี่แล้วเกิดเกิดจิตสำเนึกอขึ้นมาว่าการเกิดของเรานี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายของเราเป็นทุกข์ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเราต้องไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นไปไปเป็นนักบวช มารู้แล้วว่าสิ่งที่จะต้องทําคืออะไรพระองค์ก็ไปบวชฉลาราชสมบัติแล้วก็ไปบวชนี่ไปไปเป็นที่พึ่งของตนเองเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรตอนต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะหวังว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นจะรู้จักวิธีดับความทุกข์แต่ท่านก็รู้จักวิธี ดับความทุกข์แบบชั่วคราวดับความทุกข์ด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี้มีนักบวชเยอะที่สามารถเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้แต่เขาไม่สามารถดับความทุกข์เวลาออกจากสมาธิได้เวลาเข้าไปในสมาธิเวลาเข้าไปในฌานความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏจะหายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมา พอเริ่มมาเห็นร่างกายเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ก็หวนกลับคืนมาอีกไม่ไม่รู้จักวิธีว่าจะทำไงให้ใจไม่ทุกข์เวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิสมัยนั้นเขาก็เลยใช้อาศัยการเข้าสมาธิเพื่อดับความทุกข์ทางใจแต่การดับความทุกข์ทางใจด้วยสมาธินี้ดับเพียงชั่วคราวไม่ได้ทำให้เหตุที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้ดับไปด้วย เพียงแต่กดอามนเไว้ท่านเปรียบเทียบสมาธิเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้านี้หญ้าจะไม่สามารถงอกขึ้นมาได้แต่พอเรายกหินออกจากหญ้าไปปล่อยให้หญ้าได้รับแดดรับน้ำรับรับลมรับฝนไม่นานเดี๋ยวหญ้าก็ฟื้นกลับคืนดขึ้นมาได้เพราะว่าการเอาหินไปทับนี้ไม่ได้ถอนรากของหญ้าออกจาก ออกจากดินรากยังมีอยู่ในดินรากยังไม่ได้ตายพอได้น้ำได้แดดได้อากาศมันก็ฟื้นขึ้นขึ้นมาใหม่ได้นะผู้ที่ใช้สมาธิดับความทุกข์นี้ดับก็ได้ชั่วชั่วคราวแต่เวลาร่างกายตายไปเหตุที่พาให้มาเกิดก็ไม่ได้ถูกดับไปด้วยก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกอยู่เรื่อยๆ ยังไม่ยังหลุดไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่พาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั้นยังไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคนออกจากใจไปยังฝังอยู่ในใจอยู่ mm hmm. พอไม่มีสมาธิเมื่อไหร่พอฌานเสื่อมเมื่อไหร่ mm hmm. กิเลสตนาเหตุที่พาให้มาเกิดก็จะพาให้ไปเกิดใหมอ่อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ เวลาที่เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็ส่งพยายามศึกษาจากครูบาาจารย์หลายรูปด้วยกันก็ไม่ก็รู้แต่วิธีดับความทุกข์ทางใจด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิแต่ไม่รู้จากดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิว่าดับอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาด้วยพระองค์เองคนคว้า ทดลองผิดทดลองถูกอยู่จนในที่สุดก็ได้คำตอบของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากต่างๆความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพัทธะที่เรียกว่ากามตัญหาก็จะทำให้เราจะต้องมีร่างกายกันเพราะจ ะ, จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพัทธะได้ใจต้องมีตาหูจมูกหินกาย ใจที่ไม่มีร่างกายจะไม่สามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสได้นั้นใจที่ไม่มีร่างกายใจที่เป็นดวงวิญญาณอยู่ขณะนี้กําลังล่อนหาร่างกายกันอยู่เพื่อที่จะได้มาเกิดกันเพราะว่าเมื่อได้มาเกิดแล้วก็จะได้มีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆ แต่การได้ร่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะดีตรงที่ว่าจะได้ใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมันก็มีส่วนที่ไม่ดีตามมาด้วยคือธรรมชาติของร่างกายเมื่อเกิดแล้วมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ทุกข์แก่ใจมากเวลาที่ร่างกาย แก่ทำอะไรไม่ค่อยได้นี่มันจะรู้สึกอึอดอัดลำคาญใจจะทำอะไรเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็จะทำไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายไประยะตั้งแต่พอแก่ลงไปนี่ความทุกข์ทางใจนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงคนพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจใอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกิจนรสบางคนก็ชอบไปหาความสุขจากการเข้าฌานพวกนักบวชเข้ารูปประฌานหรืออรูปประฌานเอาเวลามาเกิดเขาก็จะไปเป็นนักบวชกัน เพราะเขาไม่ชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรดเพราะเขาเห็นว่ารูปเสียงกลิก่นรดนี้เป็นความสุขที่ยากกว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิเข้าฌาน<ม>พวกที่ได้สมาธิได้ฌานมาจากชาติก่อนพอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไปเป็นนักบวชกันไปเข้าสมาธิเข้าฌานกันไป พวกนี้เวลาตายไปก็ไปอยู่อีกภพหนึ่งที่เรียกว่ารูปภพและอรูปภพพวกที่เสพกามนี่ก็จะมาเกิดในกามะภพกามะภพก็คือภพของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานของเทวดาของเปรตของมณุษย์กายของสัตว์นร ก, รรกนี้พวกนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสัตว์โลกที่ยังเสพกามอยู่ ยังเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ในช่วงใดที่ไม่มีร่างกายเขาก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วก็จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบของรูปทิพย์เสียงทิพย์ตามอำนาจของบุญหรือบาปที่เขาได้ทำอาไว้ <c oughs> ถ้าเขาทำบุญมากกว่าทำบาปเขาก็จะได้เสบรูปทิพย์เสียงทิพย์ของเทวดา <c oughs> เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ แต่ถ้าเขาไปทาบาปทำกรรมนี้ถ้าเขายังไม่ได้เกิดเขาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ชเช่นเป็นเปรตเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้มีแต่ความหิวโหอยอดอยากขาดแคลนเป็นต้นอสุรกายก็เสบกับเรื่องหน้าหวาดกลัวต่างๆถ้าเป็นนรกก็เสบความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทต่างๆ ถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นิรชาติอ่านี่คือดวงวิญญาณของผู้ที่ทําบุญหรือทำบาปจะไปจนกว่าจะใช้บุญหรือบาปหดลงหรืออํานาจของบุญหรืออานาจของบาปหดลงคือบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปในอบายได้ช่วงนั้นก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ เพื่อที่เวลามาเกิดได้เป็นมนุษย์แล้วก็จะได้มาเสพกามใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ตายก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดในกา ร, ร ม, มาพบไปเรื่อยๆพวกที่เสพกามส่วนพวกที่เสปรูปประชานหรืออรูปประชานนี้ก็เวลาที่ไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมนี้มีสองชั้นสวรรค์รูปรูปประรมกับอรูปประพรม รืปรูปภพอรูปภพรูปภพก็คือสำหรับผู้ที่ได้ได้รูปฌานในขณะที่เป็นมนุษย์สามารถเข้าสู่รูปฌานขั้นต่างๆได้รูปฌานก็มีอยู่4ขั้นด้วยกันรูปฌานที่1ที่2ที่3มที่4แล้วอีกพวกหนึ่งก็ไปไดอารูปฌานอีก4ขั้นด้วยกันอารูปฌานนี้เป็นอารูปฌานที่สงบละเอียดมากกว่ารูปฌาน มีความสุขมากกว่ารูปปชานถ้าได้รูปปชานก็จะไปเกิดในรูปภพถ้าได้อารูปปชานก็จะไปเกิดในอรูปภพนี่คือภพทั้งสามที่เราที่เราเรียกว่าตายภพตายภพนี้เป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกของดวงวิญญาณต่างๆอย่างพวกเรานี้ถ้าพวกเรายังไปไม่ถึงนิพพานยังหยุดความอยากไม่ได้เราก็จะไปติดอยู่ในภพสามนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเสพอะไรเป็นหลักถ้าเราเสพกลามเป็นหลักเราก็จะไปเกิดในกลางมาพบถ้าเราเสพรูปประชานเป็นหลักเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะไปอยู่ในรูปภพไปอยู่ภพของรู ป, ประพถ้าเราเสพอรูประชานได้เราก็จะไปอยู่อรูปภพแต่ภพเหล่านี้ก็เป็นภพชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวร พอบุญเมื่อเหตุที่ส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในภพเหล่านี้หมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมามีร่างกายใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใหม่พวกที่ใช้กามก็จะใช้กามเป็นเครื่องดับความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจนกว่าจะไม่สามารถใช้กามดับความทุกข์ได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องทนทุกทรมานไปแต่พวกที่สามารถเข้าชานได้เข้ารูปประชานได้เข้าอารูปประชานได้เวลาเขาเจอความทุกข์เขาก็จะใช้รูปประชานหรืออรูปประชานเป็นเครื่องดับทุกข์ไปชั่วคราวแต่ไม่ดับอย่างถาวรพอตายไปก็ไปเกิดในภพที่เขาที่เขาสามารถเข้าถึงเข้าถึงรูปประชานก็ไปสู่รูปภพ ก็ถึงอรูปฌานก็ไปสู่อรูปภพแล้วพอฌานเสื่อมลงก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆในตายภพนะจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาสรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดกันในสังสารวัฏในตายภพนี้ก็คือตัรหาทั้งสามนี่คือการมาตัณหาความอยากจะเสกกรร ความอยากเสบกามนี้ความติดในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะพาให้เรากลับมาเกิดในกามาภพความติดในรูปประชานก็จะพาให้เรามาเกิดในรูปภพความติดในอรูปประชานก็จะพาให้เรามาเกิดในอรูปภพถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ไปให้หมดสิ้นไปตัดความอยากการในในการเสพกามตัดความอยากในการเข้ารูปประชาน แล้วตัดความอยากเสพอารูปประชานการจะตัดเหล่านี้ได้ก็ต้องมีมรรคคือปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นว่ากามก็ดีรูปรูปประชานก็ดี อ, อารูปประชานก็ดีล้วนเป็นตายรักษเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอ น, นิจจังก็คือ เป็นของชั่วคราวให้ความสุขได้ชั่วคราวพอมันเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่อนัตตาไม่มีใครสามารถสั่งให้มันเที่ยงแท้แน่นอนให้แต่ความสุขเพียง อ, อย่างเดียวได้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะมาทุกข์กับธรรมชาติเหล่านี้ ไม่อยากจะมาทุกข์กับการมาคุณห้าไม่อยากมาทุกข์กับรูปฌานอารูปฌานก็ตัดความอยากจะเสพมันเสียถ้าตัดความอยากจะเสพมันได้ใจก็จะพบกับพระนิพพานแทนพอไม่มีความอยากในใจใจที่วุ่นวายก็จะสงบขึ้นมาโดยอัตโนมัติเหตุสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวาย ที่ทําให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามนี่เองความอยากในการมาพบอยากในรูปะพบและความอยากในอรูปะพบพอตัดความอยากเหล่านี้ไปจากใจได้ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปใจก็จะสงบนิ่งไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดใจที่สงบนิ่งอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็คือนิพพานเองนิบา น, นังปรามังสุขขัง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะว่าไม่ต้องไม่มีอะไรมาทําให้เสื่อมแล้วสิ่งที่ทําให้เสื่อมด้ถูกกาจัดด้วยปัญญาคือตายรักษณเห็นว่าความอยากต่างๆสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นตายรักษทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่อยากได้ความทุกข์ก็อย่าไปอยากมันให้อย่าไปยุ่งกับมันเช่นเรารู้สมัยนี้ว่ายาเสพติดนี้มันเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่ไปแ ต, ยต่ยาเสพติดเนียยาเสพติดไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปแตะแล้วไปเสพล้วไปติดมันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์ทันทีเวลาที่เราอยากแล้วมันไม่ได้เสพเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานไม่ไม่ใช่เพียงแต่ยาเสพติด INE. รูปเสียงกริ่นลดอย่างอืงอ่นก็เหมือนกันคอยคลติดกาแฟดูก็ลองเลิกดูสิดูว่มันจะทําให้เราทุกข์หรือไม่คนติดสุรานี่ลองเลิกดูสิดูว่ามันจะทุกข์หรือไม่ลองไม่ได้เสพดู คนติดบุหรีนี่เราไม่ได้สูบบุหรี่ดูด youtube เหมือนไหมคนติดแฟนนี่เวลาไม่มีแฟนนี่จะทุกข์หรือไม่ mm. ของเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดทั้งนั้นมันทําให้เราอยากอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้เสพนี่มันจะทําให้เราทุกข์ทรมานใจ mm. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัตวได้ทรงค้นพบ mm. mm. แล้วก็มาสอนพวกเราว่า ถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ก็ขอให้เรามาปฏิบัติมาหยุดเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจกันเหตุที่ทำให้เราทุกข์ ใ, กใจนอกจากความอยากทั้งสามนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระทําบาปการกระทําบาปนี้ก็จะทําให้ใจเราทุกข์เวลาเราไปทําร้ายผู้อื่นแล้วใจเราจะไม่สบายใจ เวลาเราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้นะใจเราจะไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้นจากการทำร้ายผู้นเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้รักษาศีลห้าให้ดีพระรยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านรู้ว่าเหตุที่ทาให้ใจทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัญหาความอยากแล้วเกิดจากการกระทาบาป ภาลยบุคคลจึงไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่าการทำบาปนี้มันได้ไม่คุ้มเสียเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่เราต้องไปใช้โทษของการกระทำบาปตายไปเรายัางต้องไปรับโทษในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างต่อให้เราได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรหรือสิ่งที่เราอยากได้มามากน้อยเพียงไร ความสุขที่เราได้จากมันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอตายไปยังต้องไปใช้กรรมต่อยังไปนี้ผ่านไม่ได้เป็นพาะริยบุคคลทุ ก, ท, กทุกระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้รักษาศีลห้าอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเมิดโดยเด็ดขาดเพราะท่านเห็นโทษของการละเมิดว่ามันเป็นพิษเป็นภัย เป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วก็ท่านก็เห็นโทษของความอยากท่านก็พยายามละความอยากที่มีอยู่ในใจไปเรื่อยๆตอนต้นก็ละความอยากที่เกี่ยวกับร่างกาย mm. อยากให้ร่างกายไม่แ ก, ไแก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้ mm. ก็ดูความจริงว่าธรรมชาติของร่างกายนี้มันห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้ ถ้าห้าไม่ได้ไปอยากให้มันแก่ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆฉั้นอยู่ดีๆไปทําให้ใจทุกข์ทำไมเพียงแต่ยอมรับมันท่านเองก็ปล่อยให้่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้เราต้องหยุดความอยากในใจของเราความอยากในใจของเรานี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับยาเสพติดนี้มันไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรอก แต่ความทุกข์มันเกิดจากความอยากเสพยาเสพติดต่างหากคนที่ไม่ติดยาเสพติดคนที่ไม่อยากเสพยาเสพติดนี้เขาไม่เดือดร้อนกับยาเสพติดเช่นใดคนที่ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใดแต่คนที่ไม่รู้ไงคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วไม่รู้ว่าความอยากของตนที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเขาเองอพอเขาได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ อ, อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อจะได้รับใช้เราให้เราเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้พอเราเห็นความจริงอันนี้ เราก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ความตายความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ทำให้ใจเดือดร้อนอีกต่อไปนี่คือใจของพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายปล่อยวางร่างกายได้แต่ยังมีส่วนอื่นที่ท่านยังปล่อยไม่ได้ก็ยังเห็นร่างกายว่าสวยงามอยู่ยังมีการมารมอยู่ยังมีการมาราคะยังมีความอยากที่จะเสพ กามอยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้อยู่อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยงามเรามักจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามมันจึงทำให้เราหลงรักคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองส่วนที่ไม่สวยงามของเขาแล้วเราก็จะไม่มีความรัก ดังนเราต้องดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปร่างกายไม่ใช่มีเพียงแต่ห้าส่วนเท่านั้นคือผมขนเล็บฟันหนังใต้ผิวหนังก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอาหารเก่าอาหารใหม่และมีน้ำน้าต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้าน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวเป็นต้น ของเหล่านี้มันเป็นของปฏิกูลเป็นของที่ไม่สวยงามเป็นของโสโปรกอยู่ในร่างกายของคนที่เราคิดว่าสวยงามถ้าเราอยากจะกําจัดการมาราคาความอยากมิร่วมร่วมเพศกับคนอื่นเราก็ต้องเห็นอาการเหล่านี้ด้วยการศึกษาดูบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจให้เราจดจําได้ ทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายของคนนั้นคนนี้เราต้องเห็นอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเหมือนสร้างตาเอ็กซเรย์ขึ้นมาตอนนี้ตาเรามันไม่เป็นตาเอ็กซเรย์มันตามันมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไม่ได้แต่เราสามารถใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาทำให้ตาของพวกเหล่านี้กลายเป็นตาเอ็กซเรย์ขึ้นมาได้สามารถมองทะลุเห็นใต้ผิวหนังได้เห็นโครงกระดูกได้ เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆได้หรือจะเห็นอนาคตของร่างกายนี้ก็ได้เวลาร่างกายนี้ตายไปนี้มันเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราไม่เอาไปเผาเอาไปฝังนี่ถ้ า, าปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้านี่มันก็จะมีอาการขึ้นอื่นพองขึ้นมาฟกช้ำดำเขียวแล้วก็จะมีการมีแรงกามีอะไรมากัดมาแทะม า, มากินมีหนอนมาชัย สภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วนี้ไม่น่าดูเลยนี่คือปัญญาที่เราต้องการที่ต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราต้องการจะระ ง, งับดับความอยากทางการาอารมณ์ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นซากศพถ้าเห็นคู่ครองเราเป็นซากศพสมมติว่าแฟนเราตายวันนี้เราจะเก็บไว้คืนนี้ขอนอนสักคืนได้ไหมจะมีใครอยากจะนอนด้วยไหมเพอะรู้ว่าแฟนเป็นซากศพไปแล้วไม่เอาแล้ว แต่ทำไมเวลายังมีลมหายใจอยู่กับไม่เห็นกันแปลกนะพอไม่มีลมหายใจปั๊บพอบอกว่าเป็นศพทน่นนัเห็นขึ้นมาทันทีเลยโว้ยเป็นศพแล้วไม่เอาแล้วยกให้สัตวบเปล่าได้นะแต่เวลาที่ยังไม่ตายนี่ใครมาขอให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไม่ยอมขายให้เนี่ยอํานาจของกิเลสมันหลอกใจเราไงเวลามีลมหายใจนี่โอ้หหวงหวงรักออืเวลาไม่มีลมหายใจแล้วนี่ ไม่หวงไม่หวงไม่รักแล้วยกให้สับปเปลีไปได้เลยขอลองสื่อ้วยซ้าไปช่วยมารับไปหน่อยอันนี้แหละเราต้องใช้ปัญญามาแก้ความหลงที่มันคอยหลอกเราให้เห็นหลงคิดว่าร่างกายนี้น่าดูน่าชมน่ามีความความรักความหลงแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า พวเราทุกคนนี่เป็นผีดิบดีๆนี่ เ, เป็นผีที่ยังไม่ตายเท่านั้นแหละพอเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่นี้เขาไม่ให้อยู่กับพวกเราแนละ้วเขาจะย้ายร่างกายของเราไปอยู่ที่อื่นแนละ้วผีมาจากไหนถ้าไม่ไม่มาจากร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ตองนี้พอร่างกายของใครไม่หายใจร่างกายนะี้เ่าก็เรียกว่าเป็นผีนะ้วเป็นคนตายนะ้ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนผี ถ้าเห็นว่าเป็นเหมือนถีแล้วทีนี้จะไม่มีการอารมณ์ทุกครั้งที่เห็นร่างกายของใครก็ตามของดาราภาพพยนต์ของนายแบบนางแบบของนางงามจั ก, กรวาลหรือของใครก็ตามนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นถีแล้วไม่มีความอยากที่อยากจะเอาเขามาเป็นแฟนเลยนี่คือวิธีแก้ความตงติดอยู่ในร่างกายของคนอื่นถ้าถ้าละได้ก็จะได้บรรลุถึงขั้นที่สามขั้นของพระ อ, อนาคามีเลย อาณาคามีนี้จะไม่มีความลักในร่างกายของไข่ไม่มีการอารมณ์ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแล้วนี่คือข้าริยะขั้นที่สามขั้นที่สองก็เป็นขั้นระหว่างกลางระหว่างขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือ ยังมีการอารมณ์อยู่แต่มีน้อยลงทําให้เบาบางลงได้ด้วยการเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเป็นบางเวลาบางส่วนยังไม่ได้เห็นตลอดเวลาก็เลยทําให้การอารมณ์นี้ยังไม่หมดสิ้นไปแต่น้อยลงกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันนี้ยังมีการอารมณ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นตยังอยากเสดการมร้อยเปอร์เซ็นตอยู่พอขึ้นถึงขั้นที่สองพอเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามว่าร่างกายต้องเป็นซากศพนี้ ก็จะทําให้การอารมณ์นี้ลดน้อยลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเรียวเบาบางลงก็ได้ขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามีขั้นนี้ถ้าจะกลับมาเกิดเด็กก็กลับมาเกิดเพียงอีกชาติเดียวแต่ถ้าขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดถ้าจะกลับมาเกิดเด็กก็ยังกลับมาเกิดได้อีกเจ็ดชาติด้วยกันเพราะยังหลงติดอยู่กับความสวยงามของร่างกายอยู่ ยังมองไม่เห็นอสุภะยังมองไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายอยู่แต่พอเริ่มเจริญปัญญาเริ่มพิจารณาอสุภะเริ่มพิจารณาซากศพอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปภาพเหล่านี้มันจะฝังอยู่ในใจเรายิ่งฝังได้มากเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่ได้บ่อยเท่าไหร่มันก็จะกำจัดการอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปตามลาดับจนในที่สุดนี้ การมาลมที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดเลยพอหายไปหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสกกรรมอีกต่อไปพระอริยบุคคลขั้นที่สามนี้จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปแต่ยังจะไปเกิดอยู่ในรูปภพและอรูปภพอยู่เพราะว่าท่านใช้วิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการเสกกรรมเสบรูปเสียงกลิ่นรสผละ ท่านก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการเข้าฌานเข้าสมาธิแทนเข้ารูปฌานหรือเข้าอารูปฌานแทนถ้ายังท่านยังเสพ ร, รูปฌานอยู่หรืออารูปฌานอยู่เวลาท่านตายไปท่านก็ยังต้องกลับไปมาเกิดในรูปภพหรืออรูปภพอยู่เพราะว่าฌานนี้เป็นของที่ยังไม่สามารถทําให้จิตนี้หลุดพ้นจากตายภบได้เพราะว่า ใจยังมีความอยากอยู่อยากในความสงบของรู ป, ปรชานและอรู ป, ปรชานอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในตายภพในรูปภพหรืออรูปภพถ้าติดฌานก็ต้องเลิกเสกฌานไม่ต้องเข้าฌานอยู่แบบไม่มีฌานอยู่แบบไม่มีความไม่มีความอยากจะดีกว่าต้องฝืนความอยากถ้าเคยมีถ้าเคยมีสมาธิแล้วเคยเข้าฌานแล้วจะมีอุบเบกขาพอมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าการ เสบรูปประชานก็ดีการเสบรูปประชานก็ดีจะทําให้ติดหมืุนยาเสพติดรูปประชานก็เป็นเหมือนยาเสพติดอารูปประชานก็เป็นเหมือนยาเสพติดถ้าไม่อยากจะติดก็ต้องเลิกเสพเวลาเกิดความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากอยากจะเข้าฌานก็ไม่เข้าฌานอพอสามารถฝูนความอยากได้ด้วยกําลังของอุเบกขา ใจก็จะเลิกเสพชาญได้เสพรูระชาญเสภกรูปรชาญได้พอเลิกเสพรูระชาญรู้เสัารูปรชาญได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบป็นต่อไปพราเบื้องต้นก็ได้ละความอยากเสพในการมาคุณห้าแล้วด้วยการเจริญปัญญาที่เกี่ยวกับร่างกายพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยว เกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามนันก็จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาภพตัดกามาตัญหาได้แต่ยังมีความอยากเสพรูปประชานและความอยากจะเสพอรูปประชานอยู่พอถึงขั้นนั้นแล้วพอพอตัดกามาภพได้แล้วก็ต้องมาตัดรูปภพและอรูปภพด้วยการพิจารณาเหตุที่ทาให้ใจมาเกิดในรูปภพหรืออรูปภพว่าเกิดจาก รูปราคะอารูปราคะรูปราคะก็คือความอยากจะเสพรูปฌานอารูป ร, า, ร, ป ร, ราคะก็คือความอยากจะเสพอารูปฌาน mm hmm. ก็ตัดเหมือนกับเวลาที่ตัดการมาลาคะการมาลา ค, ะ, าาาคะตัดเพราะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามมันไม่ใช่เป็นของที่จะสวยงามไปตลอดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแก่ลงไปเพราะแก่ลงไป หน้าตาที่สวยงามเมื่อกลายเป็นหน้าหน้าตาที่ไม่สวยงามขึ้นมาคือดูเวลาที่ร่างกายเป็นคนแก่คนตายไปอันนี้มันก็จะทําให้เห็นเห็นไตลักษณ์ของร่างกายทันยดก็ต้องเห็นไตลักษณ์ในรูปประชานรูปประชานรูปประชานก็เป็นไตลักษณ์เป็นของชั่วข่าวให้ความสุขในขณะที่เข้าฌานได้แต่พอออกจากฌานมาความสุขที่ได้จากรูปประชานหรือรูปประชานก็จะจางหายไป พอความสุขจางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพรูปประชานอย่าไปเสพบรรูประชานเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะทุกข์กับยาเสพติดก็อย่าไปเสพยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดถึงแม้ว่าจะให้ความสุขก็จะให้ความสุขได้ในขณะที่เสพมันเท่านั้นเองแต่พอไม่ได้เสพมันเมื่อไหร่พอฤิ์ของยามันเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ก็ต้องมองให้เห็นว่ารูปปะชานหรือรูปปะชานนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเหมือนกับร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนยาเสพติดจิตอย่าไปเสพร่างกายอย่าไปเสพรูปปะชานอย่าไปเสบารูปปะชาญพอไม่เสพสิ่งเหล่านี้ได้แล้วความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากอยู่ในใจใจที่ไม่มีความสุขใจที่เด่นลนด้วยความอยากก็จะสงบตัวลงทันที เป็นใจที่สงบเนื่งอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขที่ยิ่งยิ่งใหญ่ที่ถาวรใจที่มีความสุขแบบนี้เราเรียกว่านิพานนิ บ, บานางังปรามังสุขขังใจที่ปราศจากตันหาความอยากทั้งสามความอยากเสพการก็ไม่มีความอยากจะเสพรูปประฌานก็ไม่มีความอยากจะเสพอารูปประฌานก็ไม่มีอันนี้ตัดได้หมดหยุดได้หมด เมื่อไม่มีความอยากในใจแล้วทุกก ok e. ็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะจะไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีตามมาทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่เรื่อยๆแต่พอเราตัดความเกิดได้ไม่ว่าจะเกิดในกามาพบก็ดีเกิดในรูปมพบก็ดีเกิดในอรูปมพบก็ดี มันจะต้องมีความทุกข์เพราะม่มีความเสื่อมตามมาแต่พอเราไม่ไปเกิดในใจพบแล้วนี่ความเสื่อมจากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเมื่อไม่มีความเสื่อมความทุกข์ก็จะไม่มีตามมาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างยั่งยืนถาวรไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพอระหลานตสาวกทั้งหลายเป็นใจแบบนี้เป็นใจที่นิ่งสงบเป็นใจที่ไม่ต้อง มาเกิดในตายเพราะเปกต่อไปไม่ต้องเสบรูปประชานไม่ต้องเสบรูปประชานไม่ต้องเสบกามคุณห้าถ้าเป็นคนก็เหมือนคนที่พ้นจากยาเสพติดไม่ติดยาอีกแล้วสบายแล้วไม่ติดบุหรี่ก็ไม่ต้องไปคอยหาเงินไปซื้อบุหรี่ไม่ติดเหล้าก็ไม่ต้องไปหาเงินไปซื้อเหล้ามาดื่มไม่ติดเที่ยวก็ไม่ต้องไปหาเงินไปไปไปไปซื้อซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวกันอยู่เฉยๆเนาะมีกลับมีความสุขสบายกว่า ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้แหละคือวิธีการหาความสุขอย่างยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนนัทธวรและเป็นวิธีดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาปฏิบัติด้วยอัตตาหิอัตโนโนาโถไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้พ่อแม่พี่น้อง ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง <S <S อเราจึงต้องมีที่พึ่งทางใจทั้งสองส่วนก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจในรูปแบบของการเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเราแล้วเราต้องมีอัตตหิหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเองถ้าเรามีทั้งสองส่วนนี้แล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์การเจร สุดพ้จากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะเกิดขึ้นกับคนมากมายแล้วคนที่มารู้จักพระพุทธศาสนามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศึกษาแล้วนํำมาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุกลายเป็นพาาระาอนันต์ขึ้นมาเป็นจนํานวนมากพวกเราก็เป็นเหมือนกันถ้าพวกเราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรานําเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุเป็นพาาระอนันต์เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย ขอให้มีที่พึ่งสองส่วนนี้ก็แล้วกันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นาทางมีอัตตาหิอัตาโนนาโถเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ปฏิบัติแล้วการดุดผลจากความทุกข์ก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราภิริปเรนติสักขัง เอวเมวะอิโตชินังเปตา낭อุปกาปติอิชิตังปัจชิตัตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรมมวาทานตตอายุวโนสุขังหาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 335ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ314ท่าน YouTube ดั v 51วิทยุออนไลน์12ครับ House 2หน้ากุฏ177รวมทั้งหมด891ท่านค่ะคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏค่ะ 1. ในคุณสมบัติของพระสาวดาบาน เรื่องการปล่อยวางร่างกายหากผู้ปฏิบัติได้ทำทานรักษาศีลภาวนาไม่กลัวตายแต่ยังไปคลินิกเสริมความงามฉีดโบอโท็อกซ์ยกกระชับใบหน้าเพื่อให้ดูดีในหน้าที่การงานแบบนี้จะถือว่าปล่อยวางร่างกายยังไม่ได้ใช้ไหมคะก็ยังปล่อยส่วนที่สวยงามไม่ได้ยังมีการอารมณ์อยู่ยังยินดีในความสวยความงามของร่างกายอยู่ ยังชอบมีแฟนมีครอบครัวมีภรรยามีสามีแต่ถ้าไปถึงขั้นท่านาคามีแล้วก็จะหายจะไม่หลงกับความสวยงามของร่างกายเพราะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวร่างกายต่อให้เสริมความงานใบมากน้อยเพียงใดวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ mm hmm. ดิ้งเรียกไม่ได้ mm hmm. เขาก็เลยจะไม่มีความสนใจเกี่ยวกับกรเรื่องไปเสริมความงานจะเข้าไว้ากันส่วนใหญ่ถ้าพวกที่ถือศีลแป พวที่บรรลุปเป็นพรนะนาคามีแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแล้วจะมุ่งไปทางธรรมเพื่อตัดกิเลสส่วนที่เหลือออกไปให้หมดจะไปจักใจให้ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าชาตินี้เราใช่นี่พ่อแม่ไม่หมดชาติหน้าจะเป็นอย่างไรคะชาติหน้าต้องเกิดมาเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เราในชาตินี้หรือเปล่าคะไม่เกี่ยวว่าเรา คือบุญคุณของพ่อแม่ถึงม้จะใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไม่มีความเสียหายอะไรเพราะพ่อแม่เขาไม่ทวงเราพ่อแม่เขาให้เราด้วยความเมตตากรุณาแต่เป็นหน้าที่ของลูกๆที่ต้องมีความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้แล้วถ้าสามารถตอบแทนบุญคุณได้ก็ทำไปถือว่าเป็นการทำบุญไปไม่ได้เป็นการใช้หนี้แต่อย่างใดคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ อสุภานิมิต ท, ที่เห็นเกิดจากตัวปัญญาหรือเกิดจากการจงใจเราจะแยกหรือจะทราบได้อย่างไรครับอะไร อ, ส, อสุภานิมิตอสุภนิมิตที่เห็นหเกิดจากตัวปัญญาหรือเกิดจากการจงใจเราจะแยกหรือจะทราบได้อย่างไรครับก็ต้องเกิดจากการพิจารณาอยู่เรื่อยๆมองอยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเยล้วต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราเวลาโผล่ขึ้นมาเราก็เรียกว่านิมิตเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราไม่ปลูกไว้ในใจมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ผลไม้มันก็จะไม่ออกมาแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้เดี๋ยวต่อไปถึงเวลาผลไม้มันก็จะออกมาการพิจารณา อ, Р, อสุภะอยู่เรื่อยๆก็เป็นการปลูกต้นไม้ปลูกนิมิตอันของอสุภะไว้พอถึงเวลาถ้ามันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นอยู่เรื่อย เห็นทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิเห็นทั้งในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิเช่นตอนนี้ก็เห็นถ้าอยากจะเห็นมันก็เห็นมันเห็นตลอดเวลาถ้าต้องการจะเห็นคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้ไม่นาน้วพบว่าเวลานั่งสมาธิจะมีคำพูดความคิดมากมายในหัวแม้จะเป็นคำพูดความคิดของตนเองก็พยายามนั่งมองมัน แต่มันก็แต่ก็ไม่หมดสักทีควรทำอย่างไรให้ใจสงบกว่านี้เจ้าคะ อ, อ๋อต้องอยู่กับอารมณ์ของการภาวนาถ้าเราดูลมก็อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับความคิดถ้าดูความคิดไปมันยิ่งคิดยิ่งดูมันยิ่งคิดใหญ่อย่าไปดูมันให้ดูลมหายใจถ้าเราใช้อนาปนานสติถ้าเราใช้พุทธานุสติก็ให้อยู่กับความบริีกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดอย่าไปตามดูความคิด ถ้าดูความคิดแล้วมันก็จะยาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะการฝึกปฏิบัติฝึกสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายจะมีความเจ็บปวดจิตก็จะไปจับที่บริเวณที่เจ็บปวดก็จะพยายามเอาจิตผูกให้อยู่กับพุทโธต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องอย่าไปอยู่ที่ความเจ็บถ้าอยู่ความเจ็บแล้วมันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นถ้าเราอยู่กับพุทโธความเจ็บมันจะน้อยลงความรู้สึกว่ามันเจ็บมันจะน้อยลงแต่ความเจ็บมันก็เท่าเดิม เพีแต่ว่าถ้าเราไปดูมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บมากขึ้นจนทนไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ไปดูมันเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปความเจ็บมันก็จะในความรู้สึกของเรามันก็จะน้อยลงหรือหายไปเลยก็ได้ดงนั้นอย่าไปดูความเจ็บเวลาก็จะก็จะความเจ็บขึ้นมาในขณะที่นั่งคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะอ่า เขาถามว่ากรณีที่มีคนเผาไร้แล้วมีฝุ่นทำให้อากาศมีฝุ่นแล้วก็อากาศเดือดร้อนทั้งโลกถือว่าเป็นเวรกรรมที่ต้อง ช, ชดใช้คนทั้งโลกหรือไม่แล้วคนที่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลเนี่ยต้องชดใช้ด้วยหรือไม่ค่ะเอออันนี้เราไม่อยากจะตอบแล้วคำถามงงปวดหัวแบบอย่าไปสนใจเลยเขาจะใช้ไม่ใช้เราอย่าไปทำกัแล้วกัน ฐานจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกและพระพุทธเจ้าทรงมอบพระธรรมวินัยไว้เป็นตัวแทนของพระองค์แต่เหตุใดยุคสมัยนี้หลายแห่งมีพระที่รับและยินดีนและใช้ใจ่ายเงินทองซึ่งไม่ถูกพระธรรมวินัยคะก็เขามาได้มาบวชเพื่อาหาธรรมเขาหาเงินเขาก็มาหาเงินอย่เลย ยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะก็ดูเด๋ยวใครหาอะไรก็แสดงว่าเขาต้องการสิ่งนั้นคนที่หาเงินเขาก็ต้องการเงินเนี่ยคนที่หาทำรมก็ต้องการทำคนที่หาแฟนเขาก็ต้องการแฟนมันอยู่ที่ความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรเขาก็ไปหาในสิ่งที่เขาต้องการคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ อรูปภพมเป็นพรมที่ลักษณะอย่างไรครับทำไมอราราธดาบทและทุกอุ ท, อทกกรดาบทที่ไปเกิดเป็นอรูปภพมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรโดไม่ได้ครับ เ, เหมือนอย่งเขาเป็นมือถือเขามีมือถือเน่เขาไม่เปิดก็ลเลยโทรติดต่อโทาไม่ได้ต้อติดต่อพวกเทพพวกเทพนี่ก็จะเปิดมือถือ <laughs> คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ มีวิธีเจริญปัญญาอย่างไรเพื่อให้บรรลุพระโสดาบันครับพิจารณาบ่อยๆคิดนึกถึงบ่อยๆนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆนึกถึงอนัตตาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เราเอามาใช้เท่านั้นเองเราไม่มีส่วนที่เป็นเจ้าของในร่างกายนี้เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดไปติดว่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน มองร่างกายเราเหมือนมองร่างกายของคนอื่นนร่างกายของคนอื่นเขาจะเจ็บจะแก่จะตายเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเพราะว่าเราไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราไปถือว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาตัวเองฉะน้นต้องเปลี่ยนใจสอนใจว่าอย่าไปถือมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาใช้ชั่วคราวเราก็ใช้ไปตามตามอัตภาพ มันอยู่ได้ก็อยู่มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามสักทางเ c e b o o k ค่ะ ถ้าเราต้องเจอกับคนที่ชอบยุยงให้คนแตกแยกกันแล้วเรายังต้องทำงานร่วมกับเขาเป็นบางครั้งบางเวลาเราต้องวางใจยังไงถึงจะอยู่กับเขาได้บ้างไหมครับขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางหลีกเลี้ยงหน่อยครับไม่ง่ายไม่ยากหรอกเราอย่าไปอย่าอย่าไปเปลี่ยนเขาก็แล้วกันเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาเป็นส้มก็อย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยมันเป็นไปไม่ได้เขาชอบยุยงให้คนแตกแยกสามัคคีก็ปล่อยเขาทำไป เราอย่าไปอยากให้เขาไม่ทําความอยากของเรานี่แหละที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่การกระทําของเขาหรอกเห็นใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราอยู่เฉยๆของเราไปเราทําหน้าที่ของเราไปเท่านั้นก็จบคําถามจากทาง facebook ค่ะวันหนึ่งพี่ชายอารมณ์ดีให้เงินมาก้อนใหญ่วันดีคืนดีพออารมณ์ไม่ดีไม่ถูกใจก็จะขอคืนพอเราจะคืน ก็บอกยกเงินให้วันดีคืนดีก็ขอคืนอีกถ้าเป็นแบบนี้เราไม่คืนให้จะบาปไหมคะก็อยู่ที่เวลาเขาให้ว่าเขาให้แบบไหนเขาให้แบบขอคืนก็ต้องคืนเขาไปถ้าให้ให้แบบไม่เอาคืนก็ไม่ต้องคืนเขาต้องถามเขาก่อนทุกครั้งเวลาที่เขาให้มามาให้แบบไหน ให้ยืมด้วยให้เลยถ้าให้ยืมไม่ต้องคืนเข้าไปแต่เขาไม่ได้ให้ยืมให้เขาให้เลยก็เสียใจนะคุณให้เรามาแล้วเป็นของเราแล้ ว, ลวเอาใช้ไปหมดแล้วหรือไม่หมดแล้วก็ไม่ให้เพาเราต้องเก็บไว้ใช้คําถามจากทาง youtube ดร์วค่ะถ้าเราทําสมาธิฝืนสู้กับใจิตใจที่กําลังฟุ้งซ่านเราควรบังคับจิตทําต่อไปหรือควรพักไปก่อนเจ้าคะ ถ้าบังคับได้ก็บังคับไปถ้าบังคับไม่ได้ก็ต้องหยุดเหมือนต่อยต่อยมวยนะ่ะถ้าสู้เขาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยกยกธงขาวไว้ก่อนสู้ไม่ไหวขอกลับไปซ้อมใหม่ก่อนคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะการอดนอนผ่อนอาหารนํามาใช้ต่อสู้กับกามที่กํำเริบได้ไหมครับอะไรแล้วแล้วแล้ว การอดนอนผ่อนอาหารนำมาใช้ต่อสู้กับการมาราคะเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะ อ, อ๋อก็ได้มัง่งได้ในในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่หายขาดเพราะกลับมากินใหม่เดียวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากให้มันหายขาดต้องใช้อสุภะต้องมองเห็นอสุภะมองเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วมันก็จะไม่กลับมามีอารมณ์อีกต่อไปแต่ถ้าผ่อนอาหาร ในเวลาหิวมันก็อาจจะไม่นึกถึงกา ร, รเรื่องเรื่องของคนอาจจะไม่นึกถึงเรื่องอาหารเสียมันก็เลยไม่มีการมาราคาชั่วคราวแต่พอกลับมากินข้าวอิ่มนี้พีมาแล้วทีนี้มันก็จะคิดถึงคนอย่างนี้คำถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้านั่งแล้วไม่รู้ลมหายใจไม่รู้กายเห็นดวงจิตต่อไปจะมีอาการยังไงครับเพราะทําไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่รู้ก็หลับเลยเออ มันต้องรู้ตลอดเวลาหรือว่าลมหายใจยังอยู่ก็เปล่ามันลมหยุดเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ว่าลมหยุดไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนั่งไปไม่รู้เรื่องอะไรก็แสดงว่าหลับคําถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะยมเคยเห็นสิ่งลี้ลับแบบตาเปล่าเห็นแว็บแล้วก็หายไปและมีเซนอะไรแปลกๆ แ, แบบนี้ปกติไหมคะและแบบนี้คือเราสังสมอะไรมาคะ อย่าไปสนใจเลยดูว่ามันดับความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่าดับกิเลสเราได้หรือเปล่าถ้าดับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจเหมือนเหมือนกับเห็นเห็นนกร้องเห็นอะไรอย่างนี้มันก็ถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเราเราก็อย่าไปสนใจไม่ต้องไปค้นหาว่ามันเกิดจากอะไรให้เสียเวลาเปล่ า, าคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ พี่สาวที่นั่งสมาธิได้นานๆแต่เขาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพร้อมๆกับความนิ่งสงบและเห็นเหตุร่วงหน้าคืออะไรคะก็คือที่เขาเห็นอยงนี้มันถามคืออะไรนะถามก็าเลมันถามเราได้ไงคืออะไรก็นั่งล้าเห็นก็เห็นเลยนี่เห็นจริงก็ไม่เห็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งมันมีทั้งเห็นจริงและเห็นไม่จริงส่วนใหญ่ก็เห็นไม่จริง ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการให้เห็นอะไรต้องการให้ว่างให้เย็นให้สงบให้สบายถ้าไม่เห็นแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขถ้าเห็นแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาต่อไปก็ไม่กล้านั่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นอะไรพอจะเริ่มเห็นเรื่องต้องกลับมาดูลมแทนมาอยู่กับพุโทโธแทนอย่าไปตามรู้ตามเห็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาขึ้นมาจะไม่กล้านั่งอีกต่อไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะพระที่พบนิพพานแล้วท่านจะมีการปฏิบัติและรักษาจิตต่อไปอย่างไรไปจนกว่าท่านจะมรณาภาพครับเ อ, อถ้าจิตบริสุดแล้วก็ไม่ต้องรักษาแล้วเหมือนคนที่หายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนที่หายจากโกรคมะเร็งแล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาหมออีกมันหายแล้วก็ไม่ต้องรักษาแล้วแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหาย คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาปวดขาเป็นตะคริวเราควรจะเพ่งที่ลมหายใจหรือควรเอาจิตไปไว้ที่บริเวณที่ปวดคาแล้วนั่งสมาธิต่อไปหรือออกจากสมาธิคะอย่าไปดูที่ปวดเพราะเราจะทนไม่ไหวมันจะยิ่งปวดยิ่งมากขึ้นให้อยู่กับลมไปถ้าดูลมได้ถ้าดูลมไม่ได้ก็เปลี่ยนนะใช้คาบาลีคำพุทโธพุทโธไป เลือบริกรรมณิจังทุกขงังอนัตตาไปแทนก็ได้ถ้าเราอยู่กับการดูลมเนื้อบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งเฉยกับวอาการเจ็บของร่างกายได้แต่ถ้าไปดูแล้วมันจะไม่เฉยมันจะยิ่งเกิดความกลัวเกิดความอยากให้มันหายยิ่งทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ จิตของเรามีช่วงวัยคือวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยแก่ชาราเหมือนกับสังขารร่างกายของเราไหมคะไม่มีหรอกจิตไม่มีแก่เจ็บตายมีแต่ร่างกายที่แก่เจ็บตายเด็กจิตของคนแก่ยังอาจจะเป็นเหมือนเด็กก็มีเยอะแยะไปมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันจะไม่ได้เป็นไปตามร่างกายจิตเป็นกัน เ, เป็นเพลงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านนองมีนิสัยอย่างไรมันก็จะเป็นนิสัยอย่างนั้นไม่ว่าจะแก่แล้วจะเป็นเด็กมันก็ยังมีนิสัยอย่างนั้น ถ้างองแงมันก็เป็นเด็กมันก็งองแงเป็นผู้ใหญ่มันก็งองแงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้ตามร่างกายคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจิตที่ไม่มีวันเสื่อมสลายจิตเหมือนกันหมดไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่รู้สึกกันอยู่ก็คือการยึดมั่น ยึดติดกับอาการกับอารมณ์ต่างๆถ้าจิตเหมือนกันหมดแล้วทำไมความรู้สึกความสามารถทำปัญญาของจิตที่อยู่กับร่างเด็กร่างหนุ่มสาวคนแก่จึงต่างกันอย่างนั้นก็แสดงว่าจิตแต่เดิมมันว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่เราเริ่มมาสะสมเอาใหม่ตอนที่เราได้มาเกิดกับร่างกายนั้นใช่ไหมคะ มันมันเป็นเรื่องของจิตที่มันสะสมนิสัยต่างๆมาแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยไปถ้าติดนิสัยงองแงมามันก็จะชอบงองแงอติดนิสัยขี้โกงมามันก็จะชอบขี้โกงมันเป็นของที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเองด้วยการกระทําของเราแต่เราก็เปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่าเรางองแงแล้วก็มาเปลี่ยนนิสัยได้ปัจจุันนี้เราจะไม่งองแง่แล้วจะยังไงก็ได้ยินดีตามมีตามเกิด ต่อไปก็ไม่งงไม่งอแ ง, งจิตใจที่ขี้โกงแล้วก็มารักษาศีลต่อไปนี้จะไม่โกงใครแนละ้วต่อไปมันก็จะไม่เป็นจิตที่ขี้โกงของพวกนี้มันเกิดจากนิสัยเกิดจากการกระ ท, ทําที่ไม่เช่เรียกว่าบาปบุญไงกรรมไงกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัดให้เป็นไปต่างๆเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เนี่ยเกิดจากกรรมเกิดจากการกระทําของใจเอง คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการเจริญปัญญาทําให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมคือพระนิพพานได้อย่างไรครับก็ตัดความอยากให้หมดไปจากใจเพราะเราจะเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นพอเราเห็นมันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้หมดพอไม่มีความอยากเราก็ไปถึงพระนิพพานทันที ยังไม่มีคำถามใหม่คห้ไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงทำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ